ความดีข้อที่เจ็ดคือความดีที่ใหญ่หรือเล็กมีขุนนางผู้หนึ่งมีนามว่าเว่ยจงตารับราชการอยู่ในกรมประวัติศาสตร์อยู่มาวันหนึ่งถูกจับไปยังยมโลกพญายมได้สั่งให้เสมียนในยมโลกนำบัญชีดีชั่วของท่านเว่ยมาให้ดูปรากฏว่า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 มีความสงสัยเป็นอันมากจึงถามพญายมว่าข้าพเจ้ามีอายุยังไม่ถึง40ปีชไหนจึงมีความชั่วมากมายเช่นนี้พญายมตอบว่าเพียงแต่จิตคิดไม่ชอบเท่านั้นก็เป็นบาปแล้วเช่นเห็นผู้หญิงสาวสวยก็มีจิตปฏิพั์จิตที่คิดไม่ชอบเช่นนี้ก็จะถูกบันทึกในบัญชีความชั่วทันทีท่านเว้ถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นในบัญชีความดีอันน้อยนิด ได้บันทึกไว้ไว่าอย่างไรพญายมตอบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งห้องเต้ทรงดำริจะสอบสะพานหินที่เมืองฝูเจียนท่านเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อนจึงถวายความเห็นเพื่อยับยั้งพระราชดำรินั้นเสียบัญชีความดีนั้นก็คือสำเนาที่ท่านทูลเก้าถวายห้องเต้นั่นเองท่านว้ยก็แแ้งว่า แม้ข้าพเจ้าจะกระทําดังกล่าวจริงแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จพระองค์ทรงดำเนินการไปแล้วไม่น่าเลยที่บัญชีความดีเพียงอย่างเดียวจะมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่กองอยู่เต็มห้องนี้พญายมจึงพูดว่าการที่ท่านมีเมตตาจิตต่อราษฎรเกรงจะได้รับความลำบากกันมากมายกุศลจิตนี้ใหญ่หลวงนัก ถ้าหากท่านยับยั้งได้สำเร็จก็จะยิ่งเพิ่มน้าหนักมากขึ้นอีกพลังแห่งกุศลกรรมนี้จะยิ่งใหญ่อีกหลายเท่านักแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ากระทำเพื่อชนหมู่ใหญ่แล้วไซด์ความดีนั้นก็ใหญ่หลวงยิ่งขึ้นหากทำดีเพื่อตนเองแล้วไซด์แม้จะทำดีขนาดไหนก็ได้ผลเล็กน้อยมากลูกจงจำไว้ว่าการทาความดี ไม่ว่าจะเป็นความดีมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำความดีนั้นเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อตอนเอง